ี่ได้ทราบว่าเมธีก็ดีพระเนนก็ดีพากันอยู่เย็นเป็นสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้ทำความเพียรพยายามละกิเลสตัณหาให้เต็มที่เลยเพราะว่า การเจ็บการป่วยนี่มันก็เป็นอุปสรรคต่อการทำความเพียรไม่น้อยเหมือนกันฉะนั้นเมื่อเรามีกำลังดีอยู่อย่างนี้นะอย่าพากันเกียดคร้านผู้ใดมีหน้าที่อย่างไรก็ให้ขอขอให้ทำหน้าที่ของตนให้เต็มความสามารถ เป็นพระเป็นเนนก็ต้องตั้งใจลงเพราะสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเรามีพร้อมอยู่แล้วสำหรับวัดนี้เราไม่ขัดข้องอะไรในปัจจัยที่เพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะต้องตั้งหน้าทำความเพียร แม่เที่ยวไปในที่อื่นๆหากว่าไม่อดไม่ทนต่ออุปสรรคความกัดกร่อนต่างๆมันก็เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกันเนี่ยอืมเพราะว่าการเที่ยวไปไม่ใช่มันสะดวกทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคต่างๆนัาอืมอันเราอยู่อย่างนี้มันก็ หากไม่ประมาทแล้วมันก็มีโอกาสได้ทำความเพียรเต็มที่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนยืนเดินนั่งนอนแต่ถ้าผู้ประมาทแล้วมันก็อย่างว่านะอยู่ที่นี่ก็มันก็เดือดร้อนแม้จะเที่ยวทุ ด, ดงไปก็เดือดร้อน ท่นผู้ประมาทคือเป็นผู้ไม่สำรวมจิตตัวเองไม่ทำความเพียรละ ง, งับความเร่าร้อนของขิตอไม่ทำความเพียรละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสส่วนหยาบหรือส่วนกลางให้เบาบางลงอย่างนี้มันก็เดือดร้อนแหละอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อน ดังนั้นให้พึ่งทำความเพียรให้เต็มความสามารถของ ต, อตอัวของตนที่เป็นแม่ทีก็ดีก็ขอให้ทำหน้าที่ของความเป็นแม่ทีให้เต็มที่แม่ทีสมัยนี้เพื่อนม่นิยมเที่ยวบินรบาดกันอ่าก็มักแก่ อยู่เป็นแม่ครัวสำหรับทำอาหารเลี้ยงพระบ้างเลี้ยงตัวเองบ้างตามวัดต่างๆก็เป็นอย่างนั้นแหละที่วัดที่มีแม่ชีอยู่ก็ดีก็แม่ชีนั่นเป็นแม่ครัวถ้าจะจ้างชาวบ้านมาเป็นแม่ครัวนี่ก็สิ้นเปลืองเงินทองไม่ใช่น้อยครัวใหญ่อย่างนี้ทำคนเดียวก็ไม่ได้ ต้องสองคนสามคนขึ้นไปนู่มนะจนจิงหว่วยอ่ะอย่างนั้ น, นไหนๆเราก็ได้เข้ามาบวชอยู่ในวัดวาศาสนาแล้วเทอดธุรการงานทางบ้านทางช่องแล้วเรามีชีวิตเนื่องอยู่ด้วยกับผู้อื่นจะเรียกว่าอาหารการบริโภคต่างนัน ชาวบ้านเขาบริจาคมาเป็นสิ่งของบ้างเป็นตัวเงินบ้างมันนี่เราที่เป็นแม่ทีนี่ก็ทําหน้าที่เป็นแม่ครัวออทําอาหารเลี้ยงพระเนนบ้างเลี้ยงพวกเดียวกันบ้างอืมก็ขอให้เข้าใจอย่างนี้นะแม่ชีทุกคนอนะ่ะอืม เว้นเสียแต่คนเฒ่าคนแก่ไม่สามารถที่จะทำงานได้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้ก็ยกเว้นไว้ถ้าผู้ใดมีกำลังพอที่จะทำครัวทำงานอันมุนี้ได้เนะี่ยมันก็ขออย่าได้พากันนิ่งเฉยให้ทำความสามัคคีกันผู้หนึ่งจะทำมาหนึ่งผู้หนึ่งทำมนหนึ่ง หลายคนหลายทำไปมันก็เสร็จไปได้มันหลายคนมันดีอย่างนี้ถ้าเราสามัคคีกันนะถ้าไม่สามัคคีกันมันไม่ดีเลยฉะนั้นให้นึกเส ม, อ, สมอว่าชีวิตของเราเนื่องด้วยอยู่เนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นเราเป็นนักบวชนี่นะจะเป็นพระก็ตามจะเป็นเนรก็ตามเป็นชีพเขาก็ตาม ร่วนแต่ชีวิตเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นทั้งนั้นเลยผ้าหนุ่งผ้าห่มเขาก็บริจาคมาที่อยู่ที่อาศัยเขาก็สร้างให้อยู่อาหารการบริโภคเขาก็บริจาคมาเป็นตัวเงินบ้างบ้างเป็นเครื่องครัวบ้างโมนี้นะยุกยาแก้โรคภัยต่างๆ เขาก็บริจาคมาถ้าเขาไม่บริจาคเป็นตัวยาเขาก็บริจาคเป็นเงินมาเงินมันเกิดไปแทนยาได้นี่แหละความเป็นอยู่ของนักบวชเราขอให้เข้าใจขอให้เข้าใจหน้าที่ของตนของตนหน้าที่ของตนมีอย่างไรตั้งใจทำให้มันเต็มความสามารถ มันก็จะเป็นการอำนวยประโยชน์ให้แก่ตนด้วยแก่ผู้อื่นด้วยอเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเราบวชเข้ามาเพื่อจะบําเพ็ญ ป, ประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์ผู้อื่นด้วยให้คิดอย่างนี้ไม่ใช่เราบวชมาเพื่อบําเพ็ญแต่ประโยชน์ตนอย่างเดียวคิดเทอย่างนั้นไม่ถูกเลย เพราะว่าเราอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นพวกดังนั้นการทำอะไรเราต้องนึกถึงตนและนึกถึงผู้อื่นด้วยไม่เฉพาะแต่เรามาบวชอยู่ในวัดวาอารามเท่านี้คนอื่นที่เขาอุปถัมภ์บำรุงเราก็มีอยู่เยอะแยะเลยอย่างนี้นะถ้าว่าเราทำดีกัน เราปองรองสมคธิกันฝึกขนสติปัญญาให้เกิดความเฉลียวฉลาดในหน้าที่การงานทั้งภายนอกทั้งภายในการปฏิสานฐานตอนรับแขกคนไปมา ก, ก็อย่าไปทิ้งให้แต่คนนู้นคนนี้ทุกคนก็ฝึกแหละฝึกเอา การปฏิสันฐานต้อนรับแขกคนต่างๆถ้าพอสนทนาปา่าใกับเขาก็สนทนาไปแต่เราก็มีสติให้รู้จักการพูดการจาพูดอย่างไรจึงเหมาะสมกับแขกที่มาหาจะต้องใช้ความคิดพิจารณาไปพร้อมในการสังคมกับคน อันนี้ถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่ชำนานก็มีแต่กลัวจะผิดจะพลาดอะไรต่ออะไรบางคนอาจจะคิดไปว่าการทำครัวเราไปทำอะไรเพื่อนไม่พอใจเครงเพื่อนจะไม่พอใจก็เลยงดไม่ทำแยะก็มีนะนั่นแหละควมเข้าใจ ตปอย่างนั้นก็เราจะไประแวงอย่างนั้นเป็นระแวงอย่างนั้นไม่ถูกในเมื่อเราลงเรือลาเดียวกันแล้วก็ต้องพร้อมกันแจวพร้อมกันพายเรือนั้นมันก็จึงจะไปถึงฝั่งโน้นได้ต้องให้คิดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าใครจะมีกรรมสิทธิ์คนเดียว ในการงานต่างๆในวัดวาอารามความจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนหมู่มากวัดวาอารามนี่เป็นส่วนกลางเป็นสาธารณประโยชน์ใครๆมาอยู่ก็ได้ทั้งนั้นถ้ามีความปรารถนาดีเจตนาที่จะมาฝึกขนอบรมตนนะใครก็มาอยู่ได้เลยอย่างนี้นะ แต่ขอให้ยึดเอาคุณงามความดีนั่นเป็นเครื่องดำเนินใครมาอยู่ก็ดีอ่าี้เราจะทำดีนะต่างคนดังนึกอธิษฐานจิตใจอย่างนี้เลยเราจะทำดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคำว่าทำดีคำนี้นะมันมีมันมีความหมายก่วงนั่นแหละขอขอให้เข้าใจเถอะ ว่าทำดีเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างหนึ่งทำดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างหนึ่งนี่มันมันต้องคิดอย่างนี้คำว่าทำดีนล่วนะการทำอะไรแล้วเราพิจารณาเห็นว่าโอ้นี่เป็นประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเช่นอย่างทำครัวอย่างนี้นะเออนี่มันก็เป็นประโยชน์ส่วนรวมนี่แล้วเป็นประโยชน์ส่วนตนด้วยนี่ไม่ใช่เป็นแต่ส่วนรวมอ่ะ ตนกรประทานด้วยอย่างนี้นะผู้อื่นก็รระทานอืมอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนักควรจะทําความพอใจอะนั่นแี่ยถ้าหาว่ากําลังวางชามีอยู่เว้นเสียแต่เรี่ยวแรงกําลังไม่ไหวอันนั้นก็ยกเว้นอืมก็ขอให้ใช้ปัญญาก็ยังว่า เราอยู่ในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าของเรานะพระศาสดาของเรานะพระองค์เป็นผู้มีปัญญามีความเฉลียวฉลาดในเหตุในพ้นในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรอแล้วพระองค์ก็ทรงสอนผู้อื่นให้ฉลาดด้วยทรงสอนผู้อื่นให้ รู้จักใคร่ควรว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรอย่างนี้นะพระพุทธเจ้ายังทรงตรัสภาษิตได้ว่านิสัมมะกระนังเสยโยงใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำอะไรนั้นต้องให้ใคร่ควรให้มันละเอียดถีท่ทวน เพราะว่ากิจที่เราจะต้องทำนั้นนะมันไม่ใช่ว่ามันง่ายไปทุกอย่างมันจะต้องมีความยากอยู่ในตัวของมันเราจะต้องใช้ปัญญาคิดเหตุผลในเรื่องนั้นนั้นให้แจ่มแจ้งในใจอ่าอย่างนี้ มันจึงเห็นเหตุเล็นผลในกิจธุระอันนั้นที่เราควรจะต้องทำกิจอย่างนี้ควรทำอย่างนี้ไม่ควรทำมันก็รู้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนไว้อย่างนี้ตัดพาสิตธิ์ไเป็นอามาตะไว้เลยใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่า ถ้าทําอะไรไม่ได้ใคร่ควรให้ละเอยียดถี่ท้วนนะทําไปมักจะผิดจะพลาดอมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ใคร่ควรวนบางทีก็มองไม่เห็นการงานนั่นน่ะว่าตนควรทํามองไม่เห็นเลยนี่เมือ่อเมื่อมันมองไม่เห็นมันก็ไม่ทําก็ทําไม่ได้อมันเป็นอย่างนั้นอย่างมองไม่เห็นกิเลสในหัวใจอย่างนี้นะมันก็ละกิเลสไม่ได้อืม มองไม่เห็นบาปในหัวใจอย่างนี้มันก็ละบาปไม่ได้อืบาปกับกิเลสน่ะมันมีความหมายต่างกันอยู่คือบาปนะหมายความว่ามันเกิดจากกิเลสกิเลสเป็นต้นเหตุอืกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่เป็นบาปก่อนเช่นอย่างความรักเกิดขึ้นอย่างนี้นะ มันก็ยังไม่เป็นบาปต่อเมื่อได้ไปสวงหาความรักอันผิดศีลผิดธรรมเมื่อได้สมประสงค์เข้าไปแล้วอย่างนี้นะมันถึงเป็นบาปลงไปนี่มันเป็นอย่างนั้นเดืองมันนะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดต้นตอของบาปออกไปเราภาวนาเพ่งพิจรารณา ทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งลงไปแล้วก็จึงพิจารณากิเลส ท, ที่ใจมันยังผูกพันอยู่นั่นนะที่ยังละมันไม่ได้นั่นนะเพราะอะไรมันจึงชอบใจกับกิเลสอันนี้อย่างนี้นะมันดียังไงอย่างนีนะ้ความรักก็ดีความชังก็ดีความถือตัวถือตัวก็ดีอดนี้นะมันดียังไง ต้องน้มเอามาคบคิดพิจารณาให้มันเห็นเหตุผลในเรื่องนั้นโดยแจมแจ้งให้มันสรุปลงได้ว่ามันไม่ควรยึดคนถือเลยสิ่งต่างๆในโลกนี้มันลน้วนแต่ไปของไม่เที่ยงไปยึดของไม่เที่ยงไว้อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์แหละเพราะของไม่เที่ยงก็ยังว่ายึดออกมาได้แล้วมันมันก็แปรพนไปอย่างนี้นะ มันก็แตกดับไปอจิตใจที่ยึดถือนี่ยมันก็เป็นทุกข์เรืองร้อนล่ะนี่พอสิ่งที่ตนยึดถือมานั่นมันมันแตกดับไปแล้วอ่มันเป็นอย่างนั้นแต่คนส่วนมากนะั้นไม่ค่อยไข่ครวนไม่ค่อยพิจารณาอ่ใจตัวเองยึดถืออะไรต่ออะไรไว้ก็ปล่อยให้มันยึดถือไว้อย่างนั้นเนี่ย ไม่ยอมพิจารณาแก้ไขไม่ยอมสอนตัวเองให้ละให้ปล่อยวางดังนั้นมันถึงค่อยเดือดร้อนคนเรานะ่ะโดยเฉพาะนักบวชนี่แหละมันอยู่ในที่จำกัดไม่ได้เที่ยวเพ่นพ่านไปในชุมนุมชนต่างๆในสถานในสถานเลิงลมต่างๆหมดเนี้ย หากว่าผู้ใดยังไม่เก็บอารมณ์นั้นมากักไว้ในใจนี่เอา้ามันก็เผาใจใเราร้อนนะมันก็เดือดร้อนอยู่ไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะเมื่อเราเป็นนักบวชเราต้องสละอารมณ์เหล่านนะั้นจริงๆทำความเพียรสละมันออกไปเรื่อยๆนะอย่าให้จิตมันหลงยึดถือเอาไว้ อย่าให้จิตมันพุ่งเพ้อไปตามเรื่องภายนอกต่งางๆนานาหมู่นั้นให้กำหนดลงเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักเลยชีวิตนี้มีแค่ปัจจุบันเท่านี้แหละอย่างนี้นะก็เคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่แล้วมันก็เป็นความจริงนยลองพิจารณาดูใรายละเอียดสิอดีตมันก็ล่วงมาแล้วนี่ เป็นอะไรก็เป็นมาแล้วมันก็ดับมาแล้วเรื่องที่มันเกิดมันเป็นขึ้นมาหมดแล้วน่ะว่าใจใจเราไม่ไปน่วงเหนียวมันไว้ไม่ยึดถือแล้วมันดับไปมดแล้วอดีตคือมันสิ่งที่ล่วงมาแล้วนะอันนี้อนาคตมันก็ยังไม่ได้ไม่ถึงตนก็ยังไปไม่ถึงสถติว่าตนกันยังนั่งอยู่นี้อย่างนี้นะ ยังไม่ได้ไปที่โน้นไม่ได้ไปที่นี้นี่นั่งอยู่นี่ก็กําหนดรู้ในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างงี้นะสิ่งใดมันมาสัมผัสกับจิตเนี่ยเรากาหนดรู้มันม น, นี้นะรู้แจ้งรู้เท่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นขึ้นในปัจจุบันนี้สุขก็ดีทุกข์ก็ดี มันเกิดขึ้นแล้วก็กำหนดรู้เท่าอืเป็นอย่างนั้นแต่จิตใจคนส่วนมากก็มันวนไหวดิ้นโลนไปกับสุขเวทนาทุกขเวทนานี้เองเนี่ยมเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นก็เพลินท่านไม่รู้เท่านะแต่ตนวนึกว่าตนเป็นสุขแล้วก็สนุกท า, านั้น พูดจาปราศัยอนไดก็เป็นเป็นการพูดจาที่เรียกว่าเป็นไปเพื่อความสนุกสั้นนั้นเนี่ยคันพอความสุขเหล่านั้นหายไปความทุกข์เกิดขึ้นมาแทนเอาแล้วเดือดร้อนแล้วันนี้เดือดร้อนวุ่นวายแล้วไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอน ไม่เป็นอันนั่งนั่งภาวนาก็นั่งไม่ได้เพราะจิตมันเราร้อนมันไม่ เ, เย็น อ, อันนี้หละให้พากันสันนิฐานดูให้ดีว่าจิตใจของเราเป็นอย่างนี้อหมกาพิสูจน์ดูให้ดีถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ทาความเพียรเน้ยมันเข้มงวดเข้าไปกว่านี้ ควบคุมจิตให้มันกระชับเข้าไปกว่านี้อือย่าปล่อยจิตให้มันหลงละเลงไปเช่นนั้นมันก็จึงเอาชนะกิเลสได้ถ้าว่าตนทําความเพียรเพียงเท่านี้แล้วระ ง, งับกิเลสไม่ได้ก็ยังไม่เพิ่มความเพียรให้แก่กล้าเข้าไปเช่นนี้นี่มันมันก็ไม่ได้ประโยชน์ แกตนเองอะไรเลยน้ำม่ซ้ำตนเองยังเสื่อมซ้ำจิตใจโหดถูแล้ววันนี้เมื่อมันเป็นใจพุ่งส่านเลื่อนลอยแล้วโหดถูท่อถอยเกียดติคลานแล้ววันนี้ไม่อยากไหวพระภาวนาไม่อยากคิดอยากอ่านอะไรทออะไรกิจธุระอนใดที่ควรทำไม่ควรท ำ, ไ ม, รทำไม่คิดเลยถ้ากิเลสมันหุ่มห่อจิตใจแล้ว อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละ อ, อย่างนี้น่ะคนกิเลสทุ่มหอดจิตใจมันมีความคิดความรู้สึกลึกคิดฟุ้งอยู่ก็เลยไม่เป็นอันทําอะไรเลยทํางานก็ไม่เป็น อ, อย่างทําครวยนี่ก็ทําไม่เป็นซ้ำถ้าจิตไม่สงบฟุ้งสัน่นเดี๋ยเอาไปเอามาก็เลยมทําไม่ได้ไม่ทําซ้ําเลยอืม อย่างนี้แหละบางคนนะว่ า, วา ม, มันกังวลไปทำแต่การแต่งงานอย่างนี้เราไม่ได้ภาวนาผมว่าจิตใจมันฟุ้งซ่าน อ, อันไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องมันนะแม้คนอยู่เงียบเียอยู่คนเดียวยิ่งคิดหลายถ้าควบคุมจิตไม่ได้นะจิตยิ่งฟุ้งซ่านเราสังเกตดู นนถ้าบุคคลควบคุมจิตของตนให้ดีแล้วอย่างนี้นะฝึกเวลาตั้งได้โอกาสตั้งใจทำความเพียรก็เอาจริงๆให้ใจมันสงบให้มันหนักแน่นจริงๆอย่างนี้ลนะเมื่อฝึกจิตนี่ได้ตามประสองค์อย่างนั้นแล้ว จิตนี่เอาไปใช้ทํางานอะไรมันก็ทําได้เลยแบบนี้นะอะ่จิตที่ฝึกดีนะเหมือนอย่างช่างม้าวัวไก่ที่ฝึกดีแล้วอย่างนี้นะท่านรู้จักอไถนา้ารู้จักคลาดน้าเดินยังไงมันจึงถูกกล้องถูกร้อยนี่เมื่อคนฝึกมันเข้าใจแล้วนี่จับมันมาใส่ไถแล้วมันก็เดินตามร่องไปเลยไม่ได้คดได้งอเลย เนี่ยอันจิตใจนี่ก็เป็นเช่นนั้นแหละเมื่อเราฝึกให้มันตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมด้วยดีแล้วอย่างนี้นะพิจารณาเห็นว่ากิจใ ด, ดที่ควรทำอย่างนี้เราก็ทำลงไปได้อย่างสบายใจอย่างทำไปได้ด้วยความพอใจไม่ได้เบื่อได้น่าไม่ได้เกลียดค้านในการงาน เพราะว่ามองเห็นแล้วว่าการงานอย่างนี้เนะี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนด้วยแก่ผู้อื่นด้วยนี่ธรรมดาจิตใจเมื่อมันสงบลงไปแล้วมันก็มีปัญญาเกิดขึ้นอย่างนี้แหละถ้าหาว่าจิตพุ่งสั้นเลื่อนลอยล้วปัญญาไม่เกิดมองไม่เห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเลยเนี่ยให้พากันสังเกตดูจิตใจของเราทุกคนนะ่ะมันเป็นอย่างไรอ่ามันตั้งมั่น อยู่ในกุศลธรรมเสมอไปหรือไม่หรือว่ามันงอนแง่นคนแค้นไปบางคราวตั้งมั่นลงเป็นบางครั้งอืมก็ให้รู้สิตัวของตัวไม่ ว, วินิจัยตัวเองไม่รู้ตัวเองละจะให้คนอื่นรู้ได้อย่างไรอะ่ะอืมตนเองน่ะรู้ตนเองได้ดีที่สุดเลยดีกว่าคนอื่นมารู้ให้ คนอื่นนั้นถ้าท่านไม่ได้สําเร็จ เ, เจโตปริยญาณแล้วท่านไม่สามารถที่จะรู้วาระจิตของผู้อื่นได้เลยอืมนั่นแหละไม่สามารถจะรู้ได้มีแต่ครั้งพุทธเจ้านั่นแหละภาษาวกขบางองค์รู้ได้อยู่แต่พระพุทธเจ้านั้นย่อมรู้ได้ทุกอย่างเลยอืม วันนี้ผู้เจ้าก็ดับคันเข้าสู่พนิพพานไปแล้วพระสาวกสงฆ์องค์อราหันต์ผู้วิเศษดังกล่าวนั้นก็ท่านก็ดับคันเข้าสู่นิพพานไปหมดแล้วดังนั้นเราก็ต้องวินิจฉัยตัวเองในวันนี้นะให้รู้ตัวเองเอาเองนะอโดยปฏิบตัติตามคำสอนของเจ้าน้อมสติเข้ามา ควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่ไม่ไม่ส่งไปแหละอดีตหรืออนาคตก็ดีไม่ส่งไปเราจะกําหนดรู้อยู่แต่ในปัจจุบันนี่แหละอย่างงี้นะสิ่งใดเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เราจะกําหนดรู้เท่าสิ่งนั้นโดยตรงเลยเราจะไม่เอาเรื่องอดีตมาวิจารณ์ จะไม่เอาเรื่องอนาคตมาวิจารณเพราะเรื่องอดีตมันก็ล่วงมาแล้วมันดับมาหมดแล้วไปค้นเอามันมาทําไมอ่ะออดีชั่วอะไรก็แล้วแต่เรื่องมันดับไปหมดแล้วอนาคตก็ยังไม่ได้ไปถึงะจะเอามาวิน่นี้ใช้ทําไมอ่ะทนี้ใช้ได้มันก็ยังเราก็ไปไม่ถึงเรายังไม่ได้ทําำนี้ใช้ได้ก็ไม่มีประโยชน์ ก็ให้เตือนตอนอย่างนี้มันเตือนตอนอย่างนี้บ่อยๆเข้าไปมันก็สติมันก็แก่กล้าเข้าไปแล้วแบบนี้นะเมื่อเวลานั่งสมาธิทําความเพียรเข้าไปสติมันก็ตั้งได้ออก็ควบคุมจิตได้ทันทีเอาละเราจะเอาปัจจุบันเป็นหลักเป็นที่ตั้ง กำหนดจิตตรงไว้ให้มันแนกหนักแน่นอย่าให้มันอ่อนแออย่างนี้นะอย่าอ่อนแอไปตามความคิดความหมายความจำให้กำหนดรู้อยู่ที่รู้รู้ตัวนี้ไม่ไปไหนอยู่ในปัจจุบันนี้แหละ ถ้าเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้นะออืเมื่อเข้าใจในการจ้องอยู่ที่ความรู้อันนั้นถ้าวันเพลอไปก็ตั้งสติไหมอย่าไปสงสัยว่าเอ๊เห็นจะไม่ใช่ทางแล้วมั่งนี่บาอย่าไปสงสัยเพราะพระเจ้าตรัสภาษิตไว้แล้วอันนี้ก็ดีนะออืทรงตรัตสภาษิตไว้แล้วผู้มีปัญญาย่อมไม่ คิดถึงสิ่งที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วเพราะสิ่งใดที่ล่วงมาแล้วมันก็ละไปแล้วดับไปแล้วไม่ควรคิดถึงสิ่งที่เป็นอนาคตยังไม่อยู่ในอดีตไม่ถึงทำใดที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในปัจจุบันปัจจุบันนี้อันไม่งอนแงนอันไม่คลอนแคนพึ่งเจริญธรรมนั้นเนืองเนือง อันนี้แหละพุทธภาสิ์นี้นะให้พากันเข้าใจไว้พระองค์สอนให้เอาเรากำหนดปัจจุบันเมื่อเพ่งให้อยู่ในปัจจุบันอย่างนี้แล้วจิตนี้มันก็ค่อยสงบลงแล้วถ้าจิตนี้มันหลงหยึดหลงถือกิเลสอันใดอารมณ์นใดไว้ อรมอันนั้นกิเลสนั้นมันก็ตั้งอยู่ในจิตไม่ได้อำนาจแห่งความสงบนะมันทับมันลงไปทับกิเลสให้เล่าร้อนกิเลสนั้นอยู่ไม่ได้มันก็ถอนตัวออกไปจากจิตนี้อย่างนี้นะเหตุนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าจงพากันทำความเพียรเผากิเลสให้เล่าร้อนอย่างนั้นถ้าว่าเราไม่ เพ่งพิจารณาเอาจริงเอาจังในกิเลสมันไม่ร้อนเลยมันนอนนิ่งอยู่ในใจเป็นเช่นนั้นเรื่องมันนะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้บำเพ็ญตะปะธรรมคือมีความอดความทนเป็นฐานที่ตั้งอด ทนต่ออำนาจของกิเลสที่มันลบควรจิตใจอา้าวกิเลสมันลบควรละจิตใจวันไว้เราจากไม่วันไว้เราจะอดทนอดกั้นต่ออำนาจแห่งกิเลสคือความคิดความปรุงแต่งต่า ง, างอา้าวมันอยากปรุงแต่งขึ้นมาเราจะไม่ไม่อนุญาตให้มันปรุงแตง่งเราจะอดกัน้นตั้งใจลงอย่างนี้นะ เมื่อตั้งใจลงอย่างนี้บ่อยๆเข้าสติมันก็แก่กล้าขึ้นมาขันตีความอดทนมันก็มีกำลังขึ้นเข้มแข็งขึ้นเดี๋ยวว่าจิตใจนี่มันจะสงบอยู่ได้เพราะคุณธรรมนะขอให้เข้าใจถ้าขาดคุณธรรมเหล่านี้แล้วใจตั้งไม่ได้เลยมันจะตั้งได้ยังไงเรายัางลากกิเลส ไม่ได้อ่ะอกิเลสนั้นสิมันมารบกวนจิตใจฟุ้งซ่านอยู่เลยเพรนั่นเนี่ยท่านผู้ละกิเลสตัหาหมดสิ้นไปแล้วนั่นท่านไม่ได้ทำความเพียรทรมานตนมากมายอะไรเพราะว่าท่านละกิเลสเนั้นขาดจา ก, กจิตใจแล้วกิเลสเรานั้นไม่กลับมารบกวนจิตใจของท่านอีก อย่างนี้นะดันั้นท่านน้อมจิตลงสู่ความสงบเมื่อไรท่านก็ทําได้เมื่อนั้นจิตท่านก็ไม่พุ่งสั้นเพราะไม่มีกิเลสมารบกวนทันละมันหมดแล้วอืมไอ้ผู้ยังละกิเลสไม่หมดนี่มันพอเริ่มว่าจะทําความเพียรละกิเลสน้อมจิตลงสู่ความสงบอย่างนี้กิเลสมัน กลัวมันจะได้หนีจากจิตนี้มันก็แผงลิตเะมันก็กำเริบขึ้นมาผากดันจิตใจนี่ไม่ให้สงบไม่ให้รวมลงได้มันมาบันดาลให้จิตคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นอ ด, ดีตบ้างอนาคตบ้างไปอย่างนั้นเลยวันนี้นะการถ้ามันเป็นอย่างนี้นะให้รู้ว่านี่จิตเผลอแล้ว ลืมแล้วหลงลืมตัวแล้วอย่างงี้นะเมื่อรู้ว่าตนหลงตนลืมตัวงี้ก็ตั้งสติกำหนดรู้อยู่ที่รู้นั้นใหม่เอาแล้วปัจจุบันนี้แหละปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรมีแต่วความรู้นั่นให้สังเกตดูให้เห็นมีแต่วความรู้อันเดียวนี้แหละไอสิ่งที่มา ถูกต้องสัมผัสกับความรู้อันนี้ก็คือขันธ์ทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มาสัมผัสกับความรู้อันนี้อยู่เสมอสม อ, อย่างนี้แหละแม้ว่าเราจะกำหนดจิตให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันก็ตามมันก็ยังมีความรู้สึกสัมผัสกับขันธ์ห้า น, นี่อยู่อย่างนั้น ดังนั้นเราจะต้องรู้ว่าเมื่อประคองความรู้นั้นให้ตั้งมั่นอยู่แล้วอา้าวมันเกิดสุขเวทนาทุกเวทนาอะไรขึ้นมาัวกรหนดรู้ว่าเออนี่เป็นเรื่องของขันห้าขันห้านี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราอย่างนี้ เมื่อไม่เมื่อเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็จะไปหวั่นไหวกับมันทําไมเอา้ามันสัมผัสก็สัมผัสไปเราก็รู้เท่ามันไปอดทนไปอดทนได้นั่นแหละจึงว่ารู้เท่าเพราะว่าทุกขเวทนานี่มันอยู่ในจําพวกขันห้าถ้าขันหน้านี่ยังมีอยู่ตราบใดสุขเวทนาทุกขเวทนาก็มีอยู่ตราบนั้นต้องให้เข้าใจ แต่ว่าสุขเวทนาทุกเวทนามีแต่เมื่อจิตใจไม่ยึดถือแล้วมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่ตามเรื่องของมันนั่นแหละไม่ไม่มีความหมายอะไรนะถ้าจิตไม่ยึดถือแล้วนะจิตนี่มองเห็นว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไระเป็นแต่เพียงสภาวะสิ่งหนึ่งๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นนะถ้าจิตมันสงบตั้งมั่นมันเกิดความรู้ขึ้นแล้วมันมันก็เห็นอย่างนั้นแหละไม่ได้เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอะไรเลยมันไม่ได้วิตกว่าเราเป็นทุกข์เราเจ็บตรงนั้นเราปวดตรงนี้อะไรมันไม่วิตกไปอย่างนั้นนีน่เมื่อมันรู้แล้วนะมันกำหนดรู้แล้วอ๋อนี่ สมมติว่าหัวเข่ามันวิบัติอย่างนี้นะมันปวดหัวเข่าอย่างนี้นะก็หัวเข่ามันวิบัติมันไม่เที่ยงมันแปรปวนไปมันก็เรื่องของหัวเข่าเรื่องของดินของน้ำของไฟของลมมันไม่เที่ยงแล้วมันก็แปรปวนไปอย่างนี้แหละนั่นก็ต้องพี่นาให้รู้เท่าหัวเข่านั้นซะรู้เท่าความเจ็บ เราั้นเสียแล้วก็สงบจิตอยู่ไอ้ความเจ็บมันก็เจ็บอยู่นั้นแต่จิตไม่หวั่นไหวออันตรรู้เท่าด้วยปัญญาแล้วนะนะจิตก็ไม่หวั่นไหวอมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นอย่าไปโอท้อเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันอยู่มันอยู่ที่จิตใจนี้มดเลยไอความทุกข์ความเดือดร้อนใจมันก็เพราะใจอ่อนแอทอดแท้ใจไม่รู้เท่าสภาวะที่บังเกิดขึ้นสัมผัสกับจิตนี่นะไม่รู้เท่าสิ่งเหล่านี้แล้วก็จิตจึ ง, จงอ่อนแอทอแท้จึงเป็นทุกข์อ่ามันเป็นงั้นให้รู้ต้นเหตุของมันอะ ถ้าว่าจิตนี่รู้เท่ารู้แจ้งแล้วตั้งมั่นไม่วันไหวแล้วอย่างนี้มันก็มันก็รู้แต่ลักษณะแห่งความทุกข์ของสังขารนามรูปวันนี้เท่านั้นเองเนี่ยแล้วว่าจิตนี่ไม่ทุกข์แต่จิตนี่รู้เท่าสภาวะเหล่านี้อื๋อขันธทั้งห้านี่มันมีสภาวะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อื เรื่องของขันธ์หน้ามันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากอย่างนี้แหละกับมันเป็นอนัตตา ม, มันบอกไม่ได้บังคับไม่ได้มันก็เป็นไปตามกฎธรรมดาของมันเราจะไปบังคับมันยังไงอ่ะบังคับมันก็ไม่ได้ผลเลยอย่าบังคับดีกว่าปล่อยวางตามสภาพของมันอออย่างนี้นะปัญญานะ่นะสอนจิตนะปัญญาสอนจิต ให้เข้าใจปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอสเวหิวิมุตติปัญญาเมื่ออบรมจิตฝึกข้นจิตให้ดีแล้วยอมได้วิมุตติคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะขอให้เข้าใจ จิตนี่มันจะหลุดพ้นจากกิเลสตัณามันจะปล่อยจะวางถ้าสี่ขันหานี้ได้ก็เพราะมันปัญญาสอนมันมันรู้เห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ปรุงก็วางได้เลยมันเป็นอย่างนั้นถ้ารำพังในจิตนี่มันไม่ฉลาดนีจิตสงบอยู่นิ่งนิงอยู่เฉยยนี่ยมันไม่ฉลาดเลยอันเนี่ย ทีนี้เมื่อมันเกิดอุบายขึ้นมาแับนี้มันนึกถึงอุบายอุบายธรรมะต่างๆบางเกิดขึ้นในจิตแล้วสอนจิตอย่างที่ว่ามาแล้วนี่แหละสอนไปสอนมาอยู่อย่างนั้นนะสอนเข้าบ่อยๆเข้าจิตมันก็รู้เห็นตามปัญญาเนี่ยมันก็คลายความยึดถือต่างๆออกไปถ้ามันคลายออกไม่หมดทีเดียว มันก็ค่อยคลายออกไปทีละน้อยละน้อยอ่าเป็นอย่างงี้นะเพื่อ น, นั้นในพากันเข้าใจมเมื่อมันคลายออกไปได้เท่าไรจิตก็รู้นี่จิตก็รู้ว่าจิตนี่คลายกิเลสคลายอารมณ์ต่างๆออกไปได้อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันก็รู้อมันเป็นอย่างนั้น อา้าวจิตยังยึดกิเลสอนไรอยู่ยึดอารมณ์อะไรอยู่มันก็รู้เมื่อมันรู้ว่ามันยังยึดอะไรอยู่นี่มันก็เอาหยิบยกเอาเรื่องนั้นมาพิจารณาวินิจฉัยอีกให้มันเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าไม่ควรยึดไม่ควรถือปัญญาจะสอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะจิตมันก็ค่อยคลายออกไปเรื่อยๆนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อ ได้ยินได้ฟังอุบายธรรมะดังกล่าวมาแล้วนี่นขอให้พากันจำไว้แล้วทำอุบายแยบคายให้บังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเราก็จะทำกิเลสตัณหาให้น้อยว่าบางออกจา ก, กจิตใจไปได้ดังกล่าวมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้